เรื่ังที่ครบค่ะเราได้ปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะไปพร้อมๆกับการได้ฟังพระสูตรเต็มๆของพระาศาสดาโดยพระมารชาคาวโรแห่งวัฒ น, นาป่าพงลำนุกาคลองสิทธิ์พอจบแล้วปุ๊บก็จะมาถึงพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งค่ะที่ทำหน้าที่อย่างยิ่งในการเผยแผ่พุทธวจนะทั้งในเรื่องของการสอนธรรมะและในเรื่องของการสอนท่านทั้งหลายให้เข้าสู่การปฏิบัตินะคะนั่นคือพระภบูรณ์อภิปุณโญ จากวัดป่าดอนหายศูอุดรธานีที่มีคอสปฏิบัติธรรมเป็นประจําทุกเดือนค่ะนวมส ก, การกับท่า น, นคะอาจารย์พานค่ะเป็นอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวกลับเรียนตั้แต่ต้นเลยนะคะจะกลับเรียนถามท่านถึงกรณีที่ไปอ่านค่าจากหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องของพระอีกเหมือนกันแล้วล่ะคะ่ะว่าพระผิดใจการเรื่องบิณฑบาต ท, ทับทางกาันก็ไปแจ้งความที่โรงพัก จะไปกราบเรียนถามท่านในตอนท้ายแล้วกันนะคะรายละเอียดอย่างไรท่านใดที่สนใจก็เชิญนะคะตอนนี้ต้องมาเนื้อหาสาระหลักกันก่อนนะคะออคือเรื่องของพุทธประวัติ <c oughs> ตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของความคำสอนของพระเจ้ากับเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐที่อื่นๆทำไมก็มีพราหมณ์รูปหนึ่งเขาไปถามพระชุทธาอเอ๊ะพระพุทธเจ้าเน่ยบูชายันบ้างไหมยันเนี่ยหมายถึงว่าจัดพิธีบูชาขึ้นมาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะ พร <Okay. S 2> นะพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ไม่ได้สันเสริญหรือว่าไม่ได้ตำหนิไปหมดในะการบูชาพวกนี้แต่ว่าการบูชาแบบไหนเนี่ยที่ต้องมีการฆ่านะโคแพะแกะไกะ่สัตสุกรช่างมัดโคราเนี่ยถูกฆ่าเนี่ยก็ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยหรือว่าทําให้คนอื่นมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่ก็จะไม่สันเสริญการบูชาแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกพระอรหันต์หรือว่าพวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเนี่ยจะไม่เข้าไปใกล้าการบูชาอย่างนั้น นะซึ่งทําให้คนอื่นเนี่ยพลอยเป็นทุกข์ด้วยหรือ ง, งานบูชาอะไรที่มันเอิบกริกคึกคื้ น, นมีเล่ายาปาปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะพะทั้งหลายก็จะไม่เข้าไปในร่วมในการบูชานั้นซึ่งมันไม่บริสุทธินะ์แต่การบูชาแบบไหนจะมาที่ไม่มีสัตว์มาตายสัตว์ชื่อนี้ชื้อนี้จนมาตายหรือว่าเป็นการที่เรียกว่าไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยพระอาหานตทั้งหลายจะเข้าไปในงานนี้ได้นะเช่นการแจกทานการถวายทานในสงฆ์อย่างนี้เป็นต้น ชื่อว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องหักสั น, นี้ <Okay. S 1> ก็เป็นข้อเปรียบเทียบกั น, นกแล้วก็ยังพูดถึงาการที่คาสองของพระองค์เนี่ยเว้นยกเว้นมีข้อยกเว้นบ้างบางประการ <Okay. S 1> ก็อย่างเช่นตอนที่ก่อนพระรุชาเจริญนิพพานนะนะ <Okay. S 1> มีปริพาชกมาขอบวชซึ่งจริงๆตอนนั้นก็ได้เคยพูดเอาไว้ว่าจะให้ต้องอยู่ปริวาติสี่เดือนในการ ดูนิสัยดูอะไรกันก่อนแต่ก็มีข้อยกเว้นให้ให้บวชได้เลยซึ่งก็เ พ, พื่อพิจารณาจากการที่เขาจะสามารถทำให้เห็นธรรมะที่ลึกซึ้งไปได้ไหมลักษณะนี้ซึ่งก็คือแสดงถึงความยืดหยุ่นที่มีอยู่ในคำสองของพระองค์ด้วยอย่างนี้แล้วก็ยังทรงพูดถึงการกระทำนะกรรมงามกรรมไม่งามกรรมขาวกรรมดาซึ่งคนที่จะรู้จริงเนี่ย ก็จะมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่สามารถพยากรณ์เรื่องกรรมนะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างชัดแจ้งลักษณะนี้น ะ, ะซึ่งบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าสุขทุกข์นี่เกิดเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวนะกรรมเก่าฉันทําให้ฉันเป็นอย่างนี้นะบางคนเขาบอกเอ้ยกรรมเก่าไม่มีนะซึ่งพระุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเราไปยึดถือกรรมเก่าอย่างเดียวนะคุณจะไม่ทําอะไรในปัจจุบันแตนะ่บางคนบอกอชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่ทําอะไรฉันไม่เก่งเลขก็เพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นนะ ก็จะไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าคนบอกว่ากรรมไม่มีคุณก็จะไม่วขวนขวายที่จะทําอะไรเหมือนกันในกรณีที่ว่าชีวิตฉันมันก็มาเป็นอย่างเนี้ยไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าเราบอกว่ากรรมมีเนี่ยก็จะทําให้คนเข้าใจไม่ถูกต้องเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องพูดถึงเรื่องเหตุผลของกรรมให้ถูกต้องซึ่งอันนี้จะไปอธิบายในส่วนของอริยสัจที <No. S 1> นี้เรามาถึงพวกส่วนของอริยสัจซึ่งเราพูดถึงเรื่องความดับไม่เหลือของทุกอยู่คือเรื่องของตัณหา พระเาบอกอางนี้บอกว่าเมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าเป็นเพียงการเกิดขึ้นของธรรมชาติล้วนๆว่าเป็นเพียงการสืบเนื่องกันเป็นสายของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงต่อต่อกันมาล้วนๆแล้วความกลัวย่อมไม่มีนะ น, นี่คือพูดถึงความดับของตัณหานะถ้ามันดับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นบปนตอนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆนะ<ะ>พูดถึงเมื่อวงกลมเนี่ยถูกตัดขาดออกจากกันแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องมาหมุนหมุนอยู่ในสังสารวัตอีก เ, ออเรื่องของความดับไม่เหลือของทุกนี้นะพระเจ้ายังเคยพูดถึงคนที่ทํากรรมเาไวานะ้คนที่มีชาติดำทำให้เกิดกรรมดํานำะคือชาติดำเนี่ยคือมีการเกิดที่อยู่ในสกุลที่ เ, เป็นคนจนอย่างเงี้ยเป็นคนจนนะ เ, เป็นคนไม่ค่อยมีทรัพย์ มีความเป็นอยู่ฝึกเคืองแล้วก็มีการกระทํามีทำดำนะคือทําชั่วด้วยนะนี่ยิ่งจะยิ่งไปชั่วแต่ถ้ามีชาติดํามีกรรมขาวก็มีนะคือเกิดในตระกูลต่าแต่ว่าทํากายวาจาใจเป็นสุจริตนะแล้วก็มีชาติดํามีการกระทําที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมก็มีนะก็คือคนที่ปฏิบัติตามเรียมารีมิองแปด ก็จะมี3อย่างคนชาติดำเนี่ยสมมุติคนบอกว่าฉันนะเป็นคนจนข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยฉลาดโอ้สงสัยปฏิบัติทำไม่ได้ไม่จริงแต่พระเจ้าพูดไปชัดเจนว่าไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคุณจะทําอะไรอยู่ที่ชีวิตคุณคุณจะเลือกทําสิ่งที่เป็นสีดําก็ได้เลือกทําสิ่งที่เป็นสีขาวก็ได้เลือกทําสิ่งที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็ได้ก็เหมือนกับคนที่เกิดอยู่ในตระกูลที่ดีนะมีความรู้ความเรียนมากมีสมองฉลาด จะทำความชั่วก็ได้ทำความดีก็ได้ปฏิบัติตามมารยมรรณมีองแปก็ไดนะ้ซึ่งตรงนี้จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสิ้นไปลย่างถูกได้นี่คือเรื่องของอความดับไม่เหลือของทุกข์ไวยังก็ว่ากันไปดับที่เหตุแล้วก็มีวิธีดับซึ่งเราทุกคนทำได้แลนะทนใช่แล้วตรงนี้นะเราไม่ต้องมากังวลใจว่าโอ้ฉันบุญ น, น้อยวาสนาน้อย สงสัยนิพพานชาตินี้คงไม่ได้เห็นมาโถเอ๋ยนิพพานมันเห็นในปัจจุบันได้นะเราทําให้เป็นขั้นเป็นตอนอย่าท้อแท้ท้อถอยถ้าท้อเมื่อไหรนะ่นะนิบอณ์ครอบงํานำะจะมี <Okay. S 1> เครื่องกางกั้นอย่างหนึ่งขึ้นมาทันทีคือความลังเลสงสัยในะ <Okay. S 1> จิตของเราจะไม่สามารถเห็นสิ่งที่มันละเอียดเล็กซึ้งก็ไปได้นะวางเป็นขั้นเป็นตอนแตนะ่ถูกแล้วค่ะ okay. แปลว่าวันนี้ในส่วนทั้งสองส่วนสำคัญที่ท่านได้มอบให้ท่านฟังทั้งหลายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาคือที่ทประวัติจากพระโอษฐ์กับอริยสัจสี่ผ่านไปจอืมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับพระผ่านไปแล้วสำหรับเรื่องคลิปอยากดังาาท่านเทบูลได้พูดไปในวันก่อน มาถึงระยะนี้สงสัยพอเกิดคลิปอยากดังเนี่ยค่ะมันเลยมีเรื่องอื่นๆตามมาเยอะนะคะเยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระมันมีปัญหากันพระไปแจ้งความที่กองปราบแล้วบอกว่าคู่กรณีเนี่ยก็เป็นพระเช่นกันแย่งเส้นทางในการเดินบินทบาตกันก็เกิดทะเลาะวิวาทแล้วก็เกิดการชกหน้ากันนะคะ<笑><笑><笑>แล้วก็ทางฝ่ายตารวจก็เรียก คู่กรณีไปพบก็ได้รับการปฏิเสธอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากเล่าเต็มปากเต็มคำเลยเพียงแต่งงๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วก็่นันอยากจะฟังในลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับพระวินัยซะหน่อยนะคะก็อาจมาเรื่องเรื่องการขึ้นโรงพักนี่อาตมาก็เคยขึ้นนะ คือเอกสารหายแล้วก็เลยไปลงพักแจ้งความอ๋อค่ะ <laughs> ก็เลยต้องไปขึ้นโรงพักเอ่อก็สำหรับพระสงฆ์เองนะถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าอธิกรณ์อธิกรณ์ที่มีอยู่หลายแบบนอะอธิกรณ์ในเรื่องของวินัยก็มีอธิกรณ์ในเรื่องของ เ, อเห็นไม่ตรงกันก็มีอธิกรณ์ในเรื่องของการทำกิจทั่วไปสมมติ มีอะไรหกเลอะเถอะกินแค่มามาประชุมกันรับประทานอาหารเนี่ยนะบินบาบเสร็จมาประชุมกั น, เ, นเพื่อฉันข้าวพร้อมกันนี่ก็เป็นอธิกรณ์ซึ่งระ ง, งับได้ด้วยการประชุมพร้อมหน้าอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงวินัยพระเนี่ยนะถ้ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นคุณก็ต้องมาประชุมกันนะมาพร้อมหน้าแล้วก็ในกรณีนี้ก็ต้องให้สงเนี่ยแหละมาเป็นพยานในการตัดสินอธิกรณ์การระ ง, งับอธิกรณ์ได้นี่ต้องสงเป็นผู้ที่มาประชุมกัน หลังไปนั้นก็คงจะต้องชี้แจงให้สงฆ์ที่อยู่ในอาวาสนั้นเนี่ยรับทราบในลักษณะนี้เนาะค่ะเ่ี๋ยวทีนี้ก็ ง, งงๆค่ะว่า<ม>ทำไมที่ตามข่าวเป็นพระนั้นจึงไม่ไม่ทำเรื่องนี้ให้มันจบภายในวัดอืมก็คงจะต้องเพราะปกติ<ม>หรือว่ามันไม่เป็นไรออกนอกวัดไปแจ้งตำรวจก็ได้ทุกกรณีอย่างนี้ยหะคะ่ะ อ๋อก็ถ้าเราใช้คําสอนพุทิเจ้าเนี่ยเราก็จะทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเออถ้าเป็นอธิกรเนี่ยเราก็จะระงรับกันในหมู่สงฆ์ก่อนแล้ถ้ามันไม่ได้อะไรยังไงก็อาจจะต้องปรึกษาพระสังฆาริการที่เป็นลําดับลําดับขึ้นไปอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้องน ะ, ะหรือว่าถามผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องข้อสิขาวินยัยนะก็จะได้รับคําตอบที่ที่ถูกต้องทีนี้เรื่องการขึ้นโรงพักเนี่ยอาตมาก็จะต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาใคยๆเข้าไปได้ ดัง น, นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะดูในแง่ที่ว่าเราเนี่ยควรจะต้องทําจิตของเราอย่างไงสําหรับผู้ฝังว่าเอถ้าเรามีความประสงค์มีความคาดหมายว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยคือพระเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้นะว่าพระที่ต้องการบวชมาเพื่อปฏิบัติก็มีนะซึ่งบวชมาเพื่อปฏิบัติหมายเขาบอกยงไงไหมเขาบอกว่าท่านยังปฏิบัติไม่ได้นะแต่ท่านต้องการโอกาสบ้างในการปฏิบัติเพนะราะฉะนั้นท่านอาจจะทําถูกบ้างผิดบ้างเราต้องเปิดโอกาส นะให้ในการที่ให้ท่านได้ปฏิบัติเต็มที่นะเพราะฉะนั้นคือคนที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็อาจจะทำถูกบ้างผิดบ้า ง, างนะในสมัยพุทธการก็มีเยอะแยะใช่ปะทีพุทธเจ้าก็ยังมีความเมตตาในการที่จะให้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่มีกฎง่ายๆสีข้อนะคุณไม่ขโมยของเขาไม่ฆ่าไม่ฆ่ามนุษย์ไม่อวดสิ่งที่เรียงไม่มีแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์เท่านี้เองนะองอื่นก็ค่อยทาการศึกษาไป <C HA> แล้วพอเราทราบข้อมูลเราก็ทำใจให้เป็นกลางๆ อ, อ่ะถึงจะถูก <C HA> ต้องอ <C HA> คือไม่ต้องไปขอร้องสื่อว่าให้ลงแบบเราไม่ระวังงั้นใช่ไหมคะคือก็ดูได้ว่าถ้าคนไหนเป็นคนดีก็จะเอาเรื่องดีๆมาพูดเรื่องดีๆของคนอื่นมาพู ด, พด <C HA> เรื่องดีๆของตัวเองพูดน้อยหน่อยแะเรื่องเสียๆของคนอื่นก็จะไม่พูดนะเรื่องดีๆของคนอื่นก็จะพูดมากหน่อยอย่าง <C HA> เงี้ยค่ะเมืเอเอ เรื่องลักษณะนี้เป็นความละเอียดอ่อนต่อศรัทธาในพระศาสนาแล้วก็มันมีผลกระทบที่หากมันส่งผลถึงขนาดที่ลามตามไปจนคนมีความรู้สึกว่าหมดที่พึ่งไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว uh huh. สังคมว้าเวยที่ฉันมองอย่างนี้นะคะ uh huh. ก็ฝากกันเอาไว้ละกันค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้มันต้องทุกสัสดส่วนเลยนะคะ ทุกองคาพยพอ่ะทั้งในส่วนของคราวาในส่วนของสง์ในส่วนของสือ่อค่ะ ก, ก็พึ่งตนพึ่งทำไง <c oughs> เออถ้าเราบอกว่าเราต้องพึ่งสื่ออันนี้ไม่ใช่พุทธปรจนะถ้าเราบอกเราต้องพึ่งเอ่อพึ่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาเนี่นะโอ้ยมันก็ยากอะ่ะก็พึ่งตนพึ่งทำนี่แหละดีที่สุดที่พระเจ้าสอน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เรามีจิตที่เป็นอกุศลใช่ไหมเรารีบละนะมีจิตเป็นอกุศลรีบละ มีจิตที่มีความโกรธมีความไม่พอใจรีบละใช่ไหมจะละยังไง<อ>เราก็ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้นะหรือทำอํำคิดมองโลกในแง่ดีก็ได้หรือถ้ายังไม่ได้ก็คมจิตด้วยจิตนะบีบบังคับจิตด้วยจิตก็ได้อย่างงี้ตรงนี้จะเป็นเครื่องทดสอบกําลังจิตของเรานะคุณโยมติว๋วในกรณนนีที่ว่ามีอะไรมาผัสสะที่เราไม่น่าพอใจอย่างเงี้ยมากระทบเราเราจะทําจิตให้เราสมดุลอยู่ได้ไหมค่ะคือนะดิฉันก็ไม่ห่วงนะคะในส่วนของผู้ที่ เข้าใจแล้วว่าจะต้องมาคมจิต ด, ด้วยจิตจะต้องพึ่งตนพึ่งธรร ม, มแต่มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่อาจจะยังไม่ทราบในเรื่องพวกนี้ก็ช่วยกันบอกต่อๆไปก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายค่ะก็ด้วยความไม่สบายใจ อ, อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าทาทั้งหลายที่ได้นำเสนอท่านไปแล้วนำเอาไปปฏิบัติต้องเกิดประโยชน์ทาให้ท่านสบายใจมากขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ นำไปปฏิบัติถือเป็นที่พึ่งที่ถูกต้องของท่านแล้วกันนะคะวันนี้ก็มรส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์เผบุญอภิบุญโนเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านผะู้ชมที่ทรับค่าสําหรับรายการของเรานะคะรายการ ส, สนัมสนทนาคุณท่านก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจํานะคะทางสถานีวิทยุครอครัวขาวเอฟเอและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะความเจริญก้าวหน้า ในทางธรรมนั้นไม่ได้เกิดแต่การรู้แต่เพียงอย่างเดียวคะ่ะมันต้องเกิดจากการที่เราได้นำออาไปใช้ด้วยอย่างไรก็ตามที่ฉันเชื่อนะคะว่าท่านทั้งหลายที่พอมารู้ว่าคําสอนที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดเชื่อมั่นเกิดการนําออกไปปฏิบัติในที่สุดเองและเมื่อนําำอาไปปฏิบัติแล้วในที่สุดเราก็จะได้พบนะคะว่าพุทธวจนะนั้น ได้นำเอาความสวัสดีมาสู่ชีวิตของพวกเราทุกคนวันนี้เราก็ลากันไปด้วยคำว่าพุทธวสวัสดีเลยนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ